31อโลกมีแต่ทุกข์วงเล็บเปิด9มีนาคม2551หอในวงเล็บสองจุดจุดนาที8ปวงเล็บปิดเราจะอยู่กับโลกนะโลกนี้มีอะไรโลกนี้ก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละโลกไม่ได้มีความสุขโลกมันมีความสุขสำหรับคนหลงคนไม่หลงก็มีแต่ตัวทุกข์แต่คนหลงมันก็ยินดีไปคนไม่หลงพอไปเห็นโลกก็ไปกลัวมันสิอีกอย่าไปกลัวมันสิ อาศัยรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าชื่อว่าโลกาวิทูชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือพระโลกาวิทูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกโลกมีอะไรโลกก็มีแต่ทุกข์นะสิเพราเห็นทุกข์แล้วใจเราก็เป็นกลางเรารู้แล้วนี่ตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยไม่มีหรอกพบใดที่จะไม่ทุกข์แต่เดิมเราคิดว่าหนีจากตรงนี้ไปแล้วไปอยู่ตรงนั้นจะมีความสุข หนีไปก็มีความทุกข์อีกนั่นแหละเพราะความทุกข์อยู่ที่กายกับใจในที่สุดปัญญามันแจ้งโลกที่ใดที่ใดก็มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยไม่ว่าภาวะอะไรก็มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะเห็นอย่างนี้ใจก็หยุดดิ้นสิไม่รู้จะดิ้นไปไหนแล้วไม่มีที่จะไปพอใจหยุดดิ้นใจหยุดปรุงแต่งนะเราจะพบธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งซึ่งเป็นบรมสุขอดทนเอานะ